เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สาบพฤศจาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจเป็นวันสิ้นเดือนเป็นวันที่อายุของพวกเรา ก็จะลดน้อยลงไปอีกเดือนเดือนเพราะว่าเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆสังขารร่างกายของเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆเวลาที่เหลืออยู่ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอายุมีมากขึ้นไปเรื่อยๆการทําบุญ การมาวัดมาทำบุญตามความเข้าใจของญาติโยมส่วนหนึ่งก็คือมาต่ออายุให้มีอายุยืนยาวนานอย่างตอนที่พระสวดให้พรก็สวดว่าอายุวันโนสุขังพลังก็ให้เจริญด้วยอายุวันนสุขพลังแต่ความจริง การทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ทำนี้ไม่ได้เป็นการทำบุญต่ออายุแต่เป็นการทำบุญตัดอายุตัดให้มันสั้นลงไปเพราะว่าอายุยืนยาวนานเท่าไหร่หมันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้ น, น, นการเกิดมานี่มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข แต่ความหลงของพวกเราคิดว่าการเกิดนี้ดีเกิดแล้วมีอายุยืยาวนานนี้ดีแต่หารู้ไม่ว่าอายุยิ่งยาวนานเท่าไหร่<ม>ก็ยิ่งต้องทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าชีวิตของพวกเรานี้เราเดินเข้าหาความทุกข์กันทุกวันนี้เรามีความสุขหรือเมื่ความทุกข์มีวันไหนบ้างที่จะไม่ทุกข์ ทุกแทบทุกวันเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นเองไม่คิดถึงมันเช้าตื่นขึ้นมาก็ทุกแล้วต้องเข้าห้องซ่วมนวต้องไปบันเทาทุกถ่ายทุกถ่ายทุกเสร็จก็หิวอ น, นี้ก็ทุกอีกก็ต้องหาอะไรดื่มหาอะไรกินอีกแล้วเดี๋ยวกินมากเกินไปก็ปวดท้องอีกก็ทุกอีกมีแต่ความทุกตลอดเวลา แต่พวกเรากลับมองไม่เห็นกันเพราะเราไม่สนใจที่จะมองมันทะนั้นเองเราจึงอยากจะอยู่กับกองทุกข์ไปนานๆอยากจะมีอายุยืนยาวนา น, านแต่ไม่เคยคิดเลยว่ายิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องมีความทุกข์มากเท่านั้นการมาทำบุญตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนในเป็นการมาตัด อายุของพวกเราให้น้อยลงไปไม่ใช่ให้มีมากขึ้นไปอายุของพวกเรานี้ถ้ารวมกันแล้วนี่มันนับไม่ถ้วนเวลาเนี่ยที่เรามาเกิดแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยภพหนึ่งชาติหนึ่งก็8ปปี90สปีแล้วเรามาเกิดหลายภพด้วยกันเกิดเป็นทั้งมนุษย์เกิดเป็นทั้งเดรัจฉาน เกิดมานี่ถ้ารั่วอายุแล้วลนี่มันนับไม่ท้วนจะว่าแสนล้านล้าน ล, า น, ลานก็ยังไม่ยังไม่ยาวเท่ากับพพชาติที่อายุของพวกเราที่เรามีอยู่กันใจของเรานี้มันไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายของเราตายไปแล้วใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเต่อาอายุใหม่ไม่เกิดใหม่ อายุของเราจึงยาวนานแต่ความยาวนานของอายุนี้ก็เท่ากับความยาวนานของความทุกข์นั่นเองเพราะว่าพบชาติที่เราเกิดแต่ละพบนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะการทัดท่าจากของรักของเจริญใจ เพราะทุกเพราะการพัดพ้าจากบุคคลที่เรารับทุกเพราะต้องประสบกับบุคคลที่เราไม่ชอบประชิญกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เราจะได้รับจากการมาเกิดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาทําบุญเพื่อมาตัดภพตัดชาติตัดอายุอย่าให้มันยืนยาวนาน ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นนี่แหละคือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันเวลามาทำบุญก็อยากจะให้มีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมันเป็นไปได้ที่ไหนเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตาย ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ดังนั้นการทำบุญให้ทานของพวกเรา<ม>การรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนี้จึงเป็นไปเพื่อตัดอายุให้มันสั้นลงไปให้มันมีน้อยลงไปเพื่อจะได้ทุกน้อยลงไป เหมือนกับเวลาที่เราไปติดคุกนี่เราอยากจะอยู่ในคุกนานๆหรือเราอยากจะรีบออกจากคุกเร็วๆนี่แหละการมาเวียนไหวาตายเกิดก็เหมือนกับการติดคุกคุกแห่งค้างเกิดแก่เจ็บตายคุกคุกแห่งความทุกข์ไม่มีใครอยากจะอยู่ในคุกกันหรอกพอเข้าไปในคุกไม่กี่วันก็อยากจะขอ พระราชธทานภัยโทษแล้วรอวันที่ห้าธันวากันรอวันที่สิบสองธันวากันเพราะจะได้มีการลดลดโทษลงไปให้ออกจากคุกได้เร็วขึ้นฉันใดพวกเราก็ควรจะมองชีวิตของพวกเราว่าเป็นเหมือนติดคุกของความแก่ความเจ็บความตายที่มีแต่ความทุกข์ เราควรที่จะหาทางให้ได้ออกจากกองทุกนี้อย่างรวดเร็วก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่สามารถตัดชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปได้ให้เหลือแต่ศูนย์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องกลับมาติดคุกของความเกิดแก่เจ็บตายได้รับอภัยโทษได้ถูกเป็นเป็นผู้คนคนแรกที่ได้รับอภัยโทษให้ออกจากคุกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้แล้วพอพระ อ, องค์ออกมาได้แล้วพระ อ, องค์ก็กลับไปสอนพวกที่ติดอยู่ในคุก ว่าวิธีที่ออกจากคุกนี้ทำอย่างไรก็มีผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เลยได้หลุดหลุดออกมาจากคุกของการเกิดแก่เจ็บตายอีกเป็นจำนวนมากด้วยกันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้หลุดออกมาก่อนก็จะไม่มีใครรู้จักวิธี ที่จะทำให้ตนได้หลุดออกจากคุกของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้เลยพอมีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็มาสอนพวกที่ยังติดอยู่ในคุกอย่างพวกเราสอนให้พวกเราทําทานสอนให้พวกเรารักษาศีลสอนให้พวกเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาเพราะนี่คือวิธีที่จะตัด เวลาที่เราถูกจองจําอยู่ในคุกของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ให้น้อยลงไปเรื่อยๆและให้หมดไปในที่สุดนี่แหละคือการมาวัดมาทําบุญไม่ได้มาต่ออายุวันณนะัสุขภละเพรา ะ, ร ะ, ระถ้าต่ออายุวันณนะัสุขภล ะ, ะก็เท่ากับต่อความทุกข์เพามีใครห้ามความทุกข์ที่เกิดจาก การที่จะต้องเข้าห้องน้ำหรือไม่ทุกคนเกิดมาต้องมีห้องน้ำห้องส้วมกันไปไหนก็ต้องคอยหาห้องน้ำห้องส้วมไปเพื่อทำอะไรก็เพื่อไประบายทุกข์นั่นเองมีความทุกข์แล้วเนี่ยต่อให้มีอายุวันณะสุขะภะองไรมันก็ยังต้องไปถ่ายทุกข์อยู่ในห้องน้ำอยู่นันพอถ่ายทุกข์เสร็จแล้วก็ต้องทุกข์กับความหิวหิวน้ำอีก พอเอาน้ำออกแล้วก็ต้องหิวน้ำต้องเอาน้ำเข้ามาใหม่ก็ทุกกับการหาน้ำมาดื่มทุกกับการหาอาหารมาเติมเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาทุกวันมีวันไหนบ้างที่เราไม่ทุกข์กันเราต้องถ่ายเราต้องรับประทานเราต้องดื่มเราต้องหายใจนี่เป็นความทุกข์พื้นฐานแล้วก่อน กว่าที่จะหาหาอาหารหาเครื่องดื่มหาน้ามาดืด่มได้ก็ต้องทุกขกับการไปทำงานหาเงินหาทองหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาสร้างบ้านมาซื้อบ้านมาซื้อเสื้อผ้ามาซื้อยารักษาโรคมาซื้ออาหารวันไหนถ้าไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้ก็จะไม่มีเงินซื้ออาหารซื้อข้าว ซื้อเสื้อผ้าซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านพอไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านจะทำอย่างไรก็ต้องไปนอนตามใต้สะพานไปนอนตามวัดตามสถานที่เขาสงเคราะห์ให้ไปนอนกันนี่ไม่ใช่ความทุกข์หรือนะนี่แหละคือชีวิตของพวกเรา มีความทุกนี้รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทำอย่างไรถ้าไม่สามารถทำงานหาเงินหาทองได้จะเอายาที่ไหนมารักษาโรคไข้ไข้เจ็บจะเอาเงินที่ไหนมาซื้ออาหารและประทานนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดพอเกิดแล้วก็ทุกตั้งแต่วันออกมาจากท้องแม่เลย ออกมาพอออกมาปั๊บทำอะไรร้องไห้กันใช่ไหมร้องไห้อยู่ในท้องแม่สบายไม่ต้องหายใจพอออกมาจากท้องแม่ปั๊บก็ต้องหายใจหายใจไม่ออกก็ต้องพยายามหายใจให้ได้หายใจแล้วก็หิวหิวน้ําหิวอาหารร้องไห้อยู่ตลอดเวลาคนเลี้ยงลูกจะรู้ว่า ลูกนี่มีแต่ร้องไห้ยอยู่ตลอดเวลาการร้องไห้นี้แสดงว่าสุขหรือทุกข์กันแน่ดีใจหรือเสียใจที่ต้องมาเกิดนี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเราไม่เห็นกันเรายังอยากจะอยู่กันไปอีกน า, นานทําไมแล้วอยากจะกลับมาเกิดอีกทาไมกลับมาเกิดก็ต้องมาเจอกับความทุกข์แบบนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นเป้าหมายของพวกเราจึงควรจะตั้งอยู่ที่การไม่กลับมาเกิดกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายหาเงินหาทองแทบเป็นแทบตายตายไปแล้วกลายเป็นของขายไปเราเอาติดตัวไปได้หรือเปล่าเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ก็มักจะไม่ทำกัน สิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลที่จะไปตัดพบตัดชาติให้มันน้อยลงที่จะพัฒนาพบชาติให้มันดีขึ้นให้มันสูงขึ้นให้มันสุขขึ้นให้มันมีความทุกข์น้อยลงก็กลับไม่สนใจกันกลับไปหาความทุกข์จากสิ่งาสิ่งที่เอาไปไม่ได้หาเงินทองทุกข์กับการหาเงินทอง แล้วก็เอาไปไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปในภพหน้าชาติหน้าไม่ได้หาหาตำแหน่งหายศหาบรรดาศักดิ์อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตกันอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นกำนันอยากจะเป็นสอสอสอท อ, อยากจะเป็นผู้ว่าอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นอะไรกันตายไปแล้วเป็นอะไร ตายไปแล้วก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายกันอยากจะดื่มกันอยากจะรับประทานกันอยากจะไปชอปปิง้งซื้อข้าวซื้อของกันทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องซื้อก็ซื้อกันมาเสื้อผ้าก็มีเต็มตู้รองเท้าก็มีเต็มตู้กระเป๋าก็มีเต็มตู้ก็ยังอยากจะซื้อกันมาอีก ซื้อกันมาจนเต็มบ้านล้นบ้านแล้วตายไปเอาไปได้หรือเปล่าเอาไปไม่ได้เลยของพวกนี้เอาไปทาไปช่วยเราได้หรือเปล่าช่วยไม่ได้เลยถ้าไม่ทำบุญตายไปก็ต้องไปเป็นขอทานตายไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเป็นขอทานในโลกทิพย์โลกที่ไม่มีร่างกายนี้เราเรียกว่าโลกทิพย์จิตนี้เป็นร่างทิ่เป็นกายทิพย์ พอไม่มีร่างกายก็ต้องกลับไปอยู่ในโลกทิ่กลับไปอยู่ในโลกทิ่ถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลติดตัวไปก็จะไปอยู่แบบขอทานไปเกิดเป็นเปรตต้องไปของบุญกุศลจากผู้อย่างพวกเราเนี่ยที่เราทำบุญกันแล้วเรากวด น, น้ำอุทิศกันเราก็อุทิศบุญให้กับพวกที่เป็นเปรตนี่พวกที่เป็นขอทาน พวกที่ไม่ได้ทำบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่มัวแต่หาเงินหาทองหาข้าวหาของเลยไม่มีเวลาที่มาทำบุญกันพอตายไปร่างทิพย์กายทิพย์ก็เลยไม่มีบุญไม่มีทรัพย์ภายในไม่มีสมบัติทิพย์คือบุญกุศลก็เลยต้องไปเป็นขอทานถ้า ขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วคอยทาบุญอยู่เรื่อยๆทาบุญรักษาศีลนั่งสมาธิปฏิปฏบัติธรรมอยู่เรื่อยๆตายไปก็จะไปเป็นไปแบบเศรษฐีเพราะจะมีทรัพย์ภายในติดตัวไปทรัพย์ที่สมบัติที่ติดไปกับจนเนี่ยพวกที่มีบุญกุศลจงไปเกิดเป็นเทวดากันไปเกิดเป็นพรมกันไปเกิดเป็นพระ อาริยะเจ้ากันเพราะการที่ได้ทำบุญทำกุศลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กระทำกันนั่นเองนี่แหละคือเป้าหมายของการดำเนินชีวิตของพวกเราควรจะพุ่งไปที่การสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปหลงกับการสร้างทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง แม้แต่การจะไปหาเงินทองมาทำบุญก็ไม่ควรกระทำเพราะนั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะสร้างทรัพย์สมบัติให้กับเราทรัพย์ที่แท้จริงให้กับเราถ้าเราไม่มีเงินทำบุญเราก็ไม่ต้องทำให้มารักษาศีลที่เป็นบุญที่สูงกว่าบุญที่เกิดจากการทำทานดีกว่าไปหาเงินมาด้วยการทำบาปแล้วก็มาทำบุญ อย่างนี้มันขาดทุนได้ไม่คุ้มเสียเสียสีลไปได้ทานมานี้เป็นการขาดทุนถ้าจะถ้าจะหาเงินหาทองก็ต้องหาโดยที่ไม่ต้องทำบาปต้องรักษาสีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วเงินที่ได้มาถ้ามีมากมีน้อยมีเหลือใช้ค่อยเอาไปทำบุญถ้าไม่พอใช้เก็บเอาไว้ใช้ ใช้กับสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่ใช้กับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจคืออะไรก็ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็นเช่นมีเสื้อผ้าพอใช้แล้วถ้าไปซื้อมาใหม่อีกอย่างนี้เรียกว่าของฟุ่มเฟือยซื้อแล้วไม่เกิดประโยชน์กลับเป็นโทษกับใจเพราะจะทให้ใจเสียนิสยัยจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆ อซื้อไม่ได้เห็นเสื้อผ้าใหม่ๆออกมาก็อยากจะได้ก็ต้องซื้อถ้าซื้ออย่างนี้<ม>ก็จะไม่มีเงินมาทําบุญไม่มีเงินที่จะมาสะสมไว้เป็นทรัพย์ที่จะไปกับเราในหลังจากที่เราตายไปแล้วหรือเอาเงินไปเที่ยว<ม>อย่างนี้ก็ไม่ควรจะใช้เพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เรามี บุญมีกุศลต้องเอาเงินไปทำบุญทำทานเพียงอย่างเดียวถ้าทำหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วก็ไม่ต้องไปหามาถ้ามีมากเก็บไว้ได้ก็เก็บเอาไว้แล้วก็หยุดทำงานดีกว่าหยุดหาเงินดีกว่าแล้วมาหาทรัพย์ภายในขั้นสูงต่อไปทรัพย์ภายในขั้นสูงก็คือการรักษาศีลรักษาศีลห้าแล้วก็รักษาศีลแปด รักษาศีลแต่ได้ก็ออกบวชได้จะบวชเป็นชีบวชเป็นพระบวชเป็นอะไรก็ได้ก็จะได้รักษาศีลขั้นสูงได้ได้ทรัพย์ขั้นสูงได้ทรัพย์ที่มีจำนวนมากกว่าการทำทานแล้วก็ขยับขึ้นไปสู่ทรัพย์ที่สูงกว่าศีลก็คือการปฏิบัติธรรมทรัพย์ที่สูงกว่าศีลก็คือสมาธิ ทรัพที่สูงกว่าสมาธิก็คือปัญญาสะสมทรัพเหล่านี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการที่เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่มีทรัพภายในใจเราหิวเราอยากเราจึงต้องมาเกิดเพื่อจะได้มีร่างกาย เพื่อจะได้ไปทำตามความต้องการต่างๆของเราแต่ถ้าเรามีทรัพย์ภายในอยู่เต็มหัวใจแล้วเราจะไม่ต้องไปเกิดอีกเพราะไม่มีความหิวอยากได้อะไรนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องเวลาเรามาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม เราไม่ได้มาเพื่อความเจริญในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะพะละเพราะว่าเวลามาทาบุญแล้วบางคนทาแล้วก็ไม่กี่วันตายไปก็มีทาบุญแล้วไม่กี่วันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายขึ้นมาก็มีบางคนทาแล้วไม่กี่วัน ก็ล้มละลายไปก็มีสูญเสียเงินทองไปหมดแล้วถ้ามาคิดว่าการทำบุญเพื่อจะให้จเจริญด้วยอายุรณะสุขภ ะ, ะ, ะเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสุขพอมาเจอความทุกข์มาเจอความเสื่อมก็จะไม่ยอมเข้าวัด อ, อีกต่อไปเพราะเข้าใจผิดคิดว่าการมาทำบุญที่วัดจะได้ร่ารวยขึ้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้น จะได้มีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นก่ากายมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่จะเกิดจากการที่มาทำบุญที่วัดการมาทำบุญที่วัดนี้เป็นการมาตัดอายุของการเวียนว่ายตายเกิดให้มันน้อยลงตัดความทุกข์ให้มันน้อยลงจนไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเวลามาทาบุญทำทานรักษาศีล มาปฏิบัติธรรมนี้มันไม่เกี่ยวกับการเจริญในอายุวัะสุขาดภละมันไม่เกี่ยวกับการเจริญลาบยศสารเสริญงั้นอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่ามาทาบุญแล้วจะร่ำรวยมากขึ้นจะเป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผลที่จะเกิดจากการมาทําบุญที่วัดแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นผลพลอยได้แต่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปผูกมัดกันว่าเป็นเหตุเป็นผลเหตุผลของการมาทำบุญมาทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมนี้ผลที่แท้จริงก็คืออายุของการเวียนว่ายตายเกิดจะน้อยลงไปทำไปเรื่อยๆแล้วจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วพบชาติที่เหลือ ที่จะต้องกลับมาเกิดก็จะดีขึ้นไปตามลำดับจะเกิดแต่ในสวรรค์จากสวรรค์ก็ลงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมีความรู้ความสามารถมีความฉลาดมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามสมประกอบนี่คือผลที่จะได้รับในแต่ละภพแต่ละชาติที่เหลืออยู่ ที่จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจากตอนนี้เป็นหลายล้านชาติก็จะเหลือเป็นแสนชาติจากแสนชาติก็จะเหลือหมื่นชาติจากหมื่นชาติก็จะเหลือพันเหลือร้อยแล้วก็จะเหลือเจ็ดชาติเป็นอย่างมากพอเหลือเจ็ดชาติแล้วทีนี้ก็ไม่นานก็จะหมดถ้าได้มาพบพระพุทธศาสนา ก็จะมีโอกาสที่จะตัดภพชาติที่มีอยู่เป็นล้านล้านชาตินี้ให้เหลือศูนย์ได้เลยเพราะมีผู้ทามาแล้วผู้ที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจากผู้อื่นก็ดีพอน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็ตัดภพชาติที่มีเป็นจำนวนล้านล้านชาตินี้ให้เหลือศูนย์เลย นั่นก็คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่เองผู้ที่มาเกิดในชาตินี้แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้ก็ไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้น ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้แล้วมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคาสอนพอมีพระพุทธศาสนาแล้วทีนี้ก็มีโอกาสที่จะตัดพบชาติที่มีนับเป็นจำนวนไม่ทั่วนี้ให้เหลือลงไปที่ศูนย์ได้พวกเราทุกคนนี้มีโอกาสมีสิทธิ์ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้เพียงสามข้อนี้เท่านั้นเอง ทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญานี้เท่านั้นเองทำแล้วภายในภพนี้ชาตินี้ก็จะไม่มีการเวทว่ายตาเกิดตามมาอีกต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาต่อให้ทาบุญมากมายกายกองขนาดไหนก็จะไม่มีวันที่จะตัดภพตัดชาติให้เหลือศูนย์ได้ ทำได้อย่างมากก็ทำให้พบชาตินี้ดีขึ้นเท่านั้นเองแต่จํานวนพบชาตินี้จะไม่มีวันลดน้อยลงไปจนกว่าจะได้เจอพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเจอพระอริยสัจสี่เท่านั้นพระอริยสัจสี่นี่แหละคือมีดที่จะตัดจํานวนของพบชาติของการเวียนว่ายตายเกิดให้เหลือศูนย์ได้ แล้วพระอริยสัจสีนี้จะมีแต่ในใจของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครได้พบกับพระอริยาาสัจสีถ้าไม่มีพระอริยาาสัจสีก็จะไม่มีมีดที่จะตัดพพตัดชาติได้จะมีได้อย่างมากก็คือทําบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิก็จะทําให้ได้พบชาติที่ดีขึ้นไป เท่านั้นแต่จำนวนภพชาติจะไม่มีวันลดน้อยถอยลงไปหรือหมดไปได้จนกว่าจะได้พบกับพระอริยสัจสี่ดังนั้นพวกเราตอนนี้พบนี้ชาตินี้ได้มาเจอพระอริยสัจสี่แล้วลองศึกษาดูว่าพระอริยสัจสี่สอนให้เราทำอะไรบ้างแล้วลองปฏิบัติตามให้ได้แล้วรับรองได้ว่าภพชาติที่เรา ที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดยังไม่มีวันหมดสิ้นนี้จะหมดไปได้ภายในพคนี้ชาตินี้เลยนี่คือเป้าหมายของการมาวัดมาทําบุญมาเพื่อตัดอายุของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้มาต่ออายุของร่างกายนี้ให้ยืนยาวนานไม่ได้มาเพื่อให้เราร่ํารวยให้เรามีตําแหน่งใหญ่โต แต่เรามาเพื่อจะมาตัดการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอให้พวกท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อพบชาติที่จะมีน้อยลงไปตามลำดับและหมดสิ้นไปในที่สุดการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ